ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังเ p 3สแผ่นที่ห6สโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเ p 3สแผ่นที่ห6สให้คติธรรมหัวข้อว่าประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้น ได้ชื่อว่าลืกดีมงคนดีเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้าท่านไม่ให้ถือลืกงามยามดีท่านในถือว่ากรรมคือการกระทำถ้าทำดีเวลาใดครูใดเดือนใดปีใดคู่นั้นแลขณะนั้นแลเวลานั้นแลเดือนปีนั้นแหลเป็นลืกดีมงคนดี เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโจมทุกหมู่เหล่าถ้าหากว่าเรายึดมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราอย่าไปยึดการลักกินเนเวลานั้นมนต์ดำเรื่องนี้เลือกยามวันนั้นวันนี้ให้เราถือว่ากรรมคือการกระทำถ้าเราทำดีแล้ว จะชั่วได้อย่างไรถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเพราะนั้นให้พวกเราถือกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีเวลาใดก็เป็นดีเวลานั้นทำชั่ววันคืนเดือนปีใดก็เป็นชั่ววันคืนเดือนปีนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมแต่คุณงามความดีให้สังสมแต่บุญกุศลให้ทำแต่ความดีตลอดเมื่อเราทำกรรมดีแล้วกรรมดีนั่นแหละจะให้ผลอย่างที่หลักธรรมที่หลวงพ่อยกใน MP ็สเกือบจะว่าทุกันกัน ว, ว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะเมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะนั้นสรุปแล้วก็คือเน้นเรื่องกรรม MP3 ของหลวงพ่อเน้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทําทําดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมคณะพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าให้ตระหนักไว้อยู่เสมอทําแต่กรรมดี อย่าไปลิรรมกรรมชั่วถ้าเมื่อทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทกท่าน ด้วยเธอ